พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่5พฤษภาคม2555มีชื่อเรื่องว่าใจเห็นใจจิต ด, ดูจิตวันนี้เป็นวันอุโบสถพวกเราฟังพระปฏิโมก จบโรงสักครู่นี้อันนี้คือวินัยและศีลศีลและวินัยของพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าผมอยากจะให้อ่านวินัยบ้างนะเพราะว่าวินัยเนี่ยเหมือนกับกฎหมายถ้าเราไม่อ่านเฉลยมันก็เข้าเกิดมันเข้าสนิมไปต้องพยายามอ่านวิ น, นัยถึงจะรู้แล้วก็ยังมีเกล็ด ที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาศินพระปฏิโมกน์ระแรกผมอยากให้อ่านเนี่ยนะท่องอ่านนาวโกวัตพระหมู่พกเพื่อนที่เข้ามาที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยเขาคงจะอ่านนาวโกวัตเว้นเฉียแต่ว่าเราจะบวชชั่วคราวได้าบวชชั่วคราวนี่ยก็ให้ศึกษาธรรมอยากจะให้ศึกษาธรำร ม, มากกว่าจะให้นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมมากกว่า เรื่อนศีลนี่ยเราก็ค่อยดูหมู่ครูบาอจารย์ไปเราศึกษาจากครูบาอจารย์ไปเราจะทำออกนอกรูกนอกทางถ้ามีอะไรเราก็ถามถ้าเราสงสัยทำไมทำอย่างนั้นทำไมทาอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ก็คือให้ผู้มาศึกษาต้องถามพระใหม่แต่สำหรับพระเกา่าผมก็อยากจะให้อ่านหนังสือพระวินัยอันดับแร ก, กคือนวโกวาดเราจะได้รู้จักหัว ข, ข้อก่อน เมื่ออ่านนวควาสแล้วเราจะได้อ่านไปในมุกเล่มหนึ่งพออ่านไปในมุกเล่มหนึ่งแล้วเราจะได้อ่านไปในมุกเล่มสองเรื่องอภิสมาจารจากนั้นก็อ่านหนังสือพระไตรปิฎกสำหรับผมอ่านพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนแปลว่าอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกเพราะข้อใหญ่ผมรู้แล้วว่าเป็นอะไรผมได้อ่านมาแล้ว แต่ว่าปีกย่อยปีกย่อยที่จะต้องศึกษานในพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนของอาจารย์ชุดชีพมนาะเล่มหนาๆนนะนะเล่มเดียวผมจะอ่านถึงพิณในใน ต, ตัวนี้รู้สึกว่าชัดเจนแต่ถ้าว่าเราจะจะรู้เกี่ยวกับการเป็นมาของพิณนแต่ละสิกขาบทเราก็ไปค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกห้าเล่มมันมีอยู่ ของกรมการศาสนาในวัดของเราเนี่ยเต็มหนาหนาใหญ่ๆอันนั้นเป็ว่าอ่านอ่านเข้าใจถ้าพ้าใหม่รู้สึกว่าศัพท์ศั์หรือภาษาเนี่ยจะอ่านเข้าใจยากสักหน่อยแต่ถ้าว่าเราอ่านมากๆอ่านหนังสือมากๆแล้วเราจะเข้าใจอันนี้สําหรับแนะนําสําหรับพระเก่าผู้ที่บวชเข้ามาแล้วควรจะศึกษาเรื่องวิทย์ใเหมือนกับศึกษาเรื่องกฎหมายอย่างนั้นกฎระเบียบ เพราเราจะต้องเป็นผู้ใหญ่จะต้องดูแลผวกลูกน้องหรือว่าเป็นทุกศิษย์ลูกหาต่อไปภายภาคหน้าไม่ใช่ว่าใหญ่แบบซื้อผู้ใหญ่ไม่รู้จักกฎไม่รู้จักเกณฑ์ไม่รู้จกกัจ ก, ก, จกฟิใ น, นเลยอันนั้นกน็ดูจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะนั้นเรื่องฟิันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญให้พวกเราศึกษา การบกพวกเรารู้วินัยแล้วคือรู้กฎระเบียบแล้วเราจะไปอยู่ในสถานที่ใดจุก่กับผู้กับเพื่อนอยู่ที่ไหนไหนเราก็สบายใจเพราะอะไรเพราะว่าถึงยังไงทุกองค์ก็ต้องอยู่ในหลักพระธรรมวิ น, นัยอยู่ในกรอบนี้ละถ้าเขาทวงติงมาบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็มีเอาถามเขาถามท่านเป็นยังไงทางว่าท่านผู้รู้กว่าเราก็ต้องปฏิบัติ ต, ตามแล้วก็ต้องศึกษาอีก หึงอยังไงก้อยู่ในตําราเล่มเดียวกันนี่แหละเพราะนั้นองค์หลวงตาพวกเราให้ศึกษาดูธรรมเทศนาของหลวงตาท่านจะไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับวินัยเท่าไหร่ไม่เหมือนของผมของผมนี่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับวิ น, นัยศีลและวิ น, นัยย้ำบ่อยแต่หลวงตาท่านไม่ค่อยพูดท่านบอกว่าเรื่องวินัยเนี่ยก็อยู่ในตำรับตาราอยู่แล้วใครอ่านใครศึกษาก็จะเข้าใจ ถ้าคนควาศึกษาแต่ถ้าสำหรับทำเนี่ยสมาธิและปัญญาถ้าไม่ได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ก่อนที่เคยผ่านมาก่อนจะเข้าใจยากเรื่องสมาธิวิธีการทาสมาธิทำยังไงบางทีทาเข้าไปก็ผิดทางเพราไม่เคยผ่านเรา อ, อ, อ, อ่านเข้าไปแล้วก็เราก็ากไม่เข้าใจวิธีทาสมาธเิเพียงเท่านั้น ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวศิษย์สมาธิตั้งใจมั่นพูดเพียงแค่นั้นตั้งยังไงตั้งใจมั่นทาใจให้มั่นทำอย่างไรไม่มีอธิบายไม่ได้มีคำอธิบายทำตั้งใจมั่นนะทำอย่างไรนะครับปัญญารอบรู้ในกองสังขารคาว่าสังขารคำนี้คืออะไรถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดพวกเราเพียงแค่นั้น เราก็ตีความไม่ออกเหมือนกันแต่ถ้าเราได้ศึกษาอ่านในรายละเอียดหรือ ว, ว่าศึกษาตามครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราจะรู้และเข้าใจชัดเจนสังขารภายนอกสังขารภายในสังขารร่างกายสังขารสังขารในความคิดความอ่านไเราจะแยกแยะออกได้เลย เ, เพราะเหตุไรเพราะครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวแนะนาสั่งสอนจากนั้นก็พูดเกี่ยวกับเรื่อง วิธีการเดินของจิตเอกจิตยังไงคิดเป็นไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงมันเป็นกิเลสราคะโทสะโมหะเนีเ่ยเราต้องศึกษาครูบาอาจารย์จะต้องแนะนําในรายละเอียดเข้าไปอีกเนี่ยว่ากิเลสกิเลสเนี่ยกิเลสก็คืออะไรกิเลรสราคะนี่นคืออะไรกิเลสโทสะนี่นคืออะไร ก, กิเลสโมหะนี่คืออะไรโลโกฏหลงในจิตในใจนั่นคืออะไร สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนในรายละเอียดนะพวกเรากคงจะเดินในรายละเอียดไม่ได้เพราะฉะนั้นองค์หลวงตาท่านจึงแนะนําเรื่องการภาวนาเนี่ยเรื่องจิตภาวนาเรื่องสมาธิกับปัญญาท่านจะพูดในเรื่องนี้มากเอาชนะใจยังไงใจของเรามันมีอะไรแต่ละวีแต่ละวันแต่ละเวล่ำเวลาเมื่อไปเจออารมณ์เรื่องต่างๆเข้ามาสู่จิตใจนั้น จะทําวิธียังไงจะแก้ไขยังไงจะต่อสู้ยังไงเอาชนะกิเลสใจด้วยใจได้อย่างไรนี่แหละเออันนี้คือถ้าเราได้ฟังได้ศึกษาในธรรมเทศนาขององค์หลวงตาแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเพราะนั้นหลวงตาจะไม่ค่อยได้พูดถึงวินยัยแต่สําหรับผมเองผมก็ทำให้พูดวินยัยพวกที่งเกิดใหม่ใหญ่ทีหลัง ก็เห็นเห็นอยู่บางทีก็ละหลวมไปละหลวมในวินัยเพราะนั้นผมจึงนเน้นเรื่องวินัยกิริยาเมลยา า, ยาเข้าสู่ชุมชนสังคมเพราะเราจะต้องเข้าไปสู่ชุมชนสังคมเราจะมีเมลยาาอย่างไรทำกับกิริยาอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเหมาะสมในเมื่อเราเป็นพระสิ่งเหล่านี้ผมได บอกกล่าวแนะนําหมุ่งพวกเพื่อนลูกๆ ล, ล้านๆที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังแต่เรื่องสําหรับธรรมปฏิการปฏิบัติธรรมรวมนาสมาธิธรรมก็อย่างที่ผมไปพูดเมือ่อเช้านี้การปฏิบัติธรรมเลยให้มีที่หนักที่เบาให้มีช่วงหนักช่วงเบาอย่าไปทําแบบไม่มีจุดหมายปลายทางอันนั้นไม่จะไม่ได้ผล ในช่วงที่เราเด็ดขาดเราต้องเด็ดขาดกับตนเองว่าคืนนี้วันนี้เดือนนี้อาทิตย์ น, นี้เราจะภาวนาอย่างนี้เราจะพยายามใจให้มีใจให้มีสมาธิกับตัวเองให้มากที่สุดเราจะไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองให้มีสติอยู่กับตัวเองจะไปที่ไหนก้าวเดินอย่างไรให้เรามีสติอยู่กับตนเองตลอดเราจะไม่ให้เผลอ จากนั้นเราจะพิจารณาอะไรเราจะพิจารณาแต่ว่าเรื่องเผลอให้อยู่ในกายในช่วงนี้ในวันนี้ในคืนนี้จะบังคับให้อยู่กับตัวเองนี่แหละการบังคับใจกับอยู่กับตัวเองเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายเคยไหมถ้าเคยพวกเราก็จะรู้ได้วไม่ใช่ธรรมดาฮะพูดได้แล้วไม่ใช่ธรรมดางานหนักหนาสาหาัสขนาดไหนก็จะแต่เรื่องให้สติอยู่กับตัวเองดึง อยู่กับตนเองอยู่กุดนี้แหละมิใช่ธรรมดาพูดอย่างนั้นได้แต่ถึงยังไงก็เถิดถึงจะไม่ใช่ธรรมดาก็เถิดแต่เรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นให้พิจา ร, รณาให้อยู่กับตัวเองบังคับอยู่กับตนเองนี่แหละ nên, เมื่อผ่านไปแล้วหรือว่าเราเอาอยู่กับตัวเองได้แล้วเม <ME> ื่อเราเห็นผลเมื่อเราเอาชนะใจตนเองได้แล้วนั่นแหละความภาคภูมิใจจะเกิดกับเราอย่างมากพูดอย่างนั้นได้ จำไม่ลืมคิดมาเมื่อไหรมีแต่ภูมิใจว่าเราเอาชนะใจช่วงนั้นได้อย่างไรชนะการเจ็บปวดของเราได้อย่างไรเอาชนะเวทนาของเราได้อย่างไรใจของเราหลบจากเวทนาเข้าสู่ความสงบได้อย่างไรทำไมมันเจ็บปวดขนาดนั้นทำไมเราจึงไม่รู้สึกร่างกายเลยแต่มันอยู่นิ่งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ มันจะมีสิ่งที่อัจฉรย์ขึ้นมาในใจของเราเป็นระยะ ะ, ยะถ้าเราเอาจริงจังะผมมั่นใจอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้หมูพกเพื่อนทุกองนะเรื่องภาวนาเนี่ยอย่าให้เปล่าให้ตั้งใจจริงๆให้มีช่วงหนักช่วงเบาวันหนักวันเบาอย่าไปทำแบบเออเฮยลอยลมเป็นวันๆไปผลที่สุดก็มาทวง ข้าพเจ้าหนังภาวนาตอนนั้นเดือนเท่านี้ปีทําไมใจของข้าพเจ้าจึงไม่สงบอจึงไม่รู้แจ้งเนื่องจาไม่เห็นสิ่งไหนขึ้นมาเลยในใจของข้าพเจ้าถ้าเราไม่ได้เอาจริงเอาจังเนี่ยมันก็ไม่เห็นนะอถา้าเราเอาจริงเอาจังเราจะรู้แจ้งเห็นจริงตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนไม่เป็นอย่างอื่นขอให้พวกเราทั้ง อ, อกตั้งใจ เกิดมาบวชมาทั้งทีอย่างน้อยถ้าจิตใจเป็นสมาธิสักครั้งหนึ่งรวมสงบสักครั้งหนึ่งจะเป็นเครื่องประทับใจของเรานานเท่านานแต่ถ้าว่าเราไม่ได้เอาจริงเอาจังก็อย่างบ้านเฮ่อเลยลอยลงไปเป็นวันๆความสงบทางด้านจิตใจจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ เ, เกิดขึ้นมาไม่ได้นะถ้าไม่จริงจังนะถ้าเราจริงจังแล้วผมมั่นใจว่าโูพวกเพื่อนจะได้รับความสงบ ดูใจของตนเองเสียงภายนอกคือเสียงภายนอกเราจะไปถือหนักโกกหนักใจกับเรื่องใครๆทั้งหมดมันไม่ใช่มันไม่ถูกเราเกิดมาในโลกนีมันมีถึงเยอะแยะเรามาอยู่ที่นี่กับหนักใจเรื่องนั้นไปอยู่ที่อื่นกับหลักใจเรื่องนี้กลุ่มนั่นกลุ่มนี้บุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้มันไม่มีที่สิ้นสุดสรุปแล้วจนถึงเข้าสู่นิพพานแล้วจะค่อยจบถ้าอยู่ในโลกนี้มันต้องมี เราจะไปถือเราจะไปดักใจกับวิญญาณอื่นใจของคนอื่นคนอื่นสัตว์ประสาทั้งหลายทวในโลกอย่างนั้นมันไม่ถูกทั้งนั้นแหละต้องรู้จักกลบรู้จักกลีกรู้จกักเอาใจของตนเองเข้าสู่ ม, มุมสงบอย่าไปถือสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญถือว่าโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดถ้าเราเกิดภพหน้าชาติหน้ามันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ ทางรักท้งโลภทั้งโกรธท้งหลกทั้งเกลียดทั้งชังอทั้งชอบทั้งไม่ชอบพอใจไม่พอใจมันมีอยู่นี่ในโลกนะถ้าเราเกิดมาอีกก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้เพอเพอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้เพอเอาจจะถูกฆ่าถูกแกงก็ได้เมื่อเพออาจจะติดคุกติดตารางก็ได้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเพราะความถลําลงไปด้วยกิเลสของเราแต่บัดนี้เราได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาทำมะปฏิบัติเราต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้ยังไงจึงจะชนะใจตัวเองได้พราเราควรจะทําอย่างนั้นนะนี่แหละการภานาอยากจะให้จริงจังกําหนดลมหายใจเขาออ ก, ก่อนให้กําหนดลมจริงๆภาวนาขาพุทขาซ้ายถูกพุทธถจริงๆในเมื่อเห็น เมื่อจิตสงบเข้าสู่ความสงบพิจารณาร่างกายแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายในร่างกายของเรามีอะไรบ้างเราจะมองเห็นชัดเจนเมื่อจิตผ่านความสงบมาแล้วจิตได้รับความสงบแล้วพิจารณาจุดไหนจะเห็นได้ชัดเจนในความรู้สึก น, า น, านั้นๆจากนั้นก็พร้อมที่จะตัดพร้อมที่จะปล่อยวางพร้อมที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายมันเป็นอยู่อย่างนี้จากนั้นใจของเราจะเข้าสู่ความ ข้พิจารณาใจอีกใจของเรานั้นคืออะไรความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นคืออะไรในเมื่อเราเห็นความรู้สึกนึกคิดของตอนเองนะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากใจทั้งหมดที่นี่นี่แหละมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะ่ปะประเด็นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทุกองนะถึงยังไงเบื้องแรกเนะ่ยพยายามให้มีสติอยู่กับตนเองอันที่สองต่อมาก็คือคจิตใจกําหนดให้มีสติและจิตจะรวม เมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งนิ่งพอสมควรล้วพิจารณาเดินวิปัสสนาในเมื่อเดินวิปัสสนาคือเดินเข้ามาดูกายพอดูกายเสร็จแล้วดูใจเห็นที่ใจนั่นแะพอดูใจเข้าไปในะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในนั้นละเอียดที่ะเอียดถีท่ทวนมากๆเลยจุดเนี่ย เ, เรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันออกมาจาก ใจทั้งหมดตัวรู้ทั้งหมดจะตัดจะปล่อยจะวางเห็นด้วยใจเห็นใจปัญญาเห็นใจใช้ปัญญาพิจารณาการคลองใจของตนเองจากนั้นขณะนั้นเราจะทิ้งออกทิ้งทวนหรือว่าทิ้งความรู้สึกของเราปล่อยวางที่ใจว่างวางผลที่สุคนนั้นเมื่อวางว่าง ความหลุดพ้นก็อยู่จุดนั้นอยู่ที่ใจพระนักคอยหมู่พวกพื่อนทุกองนะสรุปเพื่ให้ภาวนาดูใจดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจดูใจดูกายเมื่อมันถี่ทวนเห็นชัดเจนแล้วมันจะปล่อยวางด้วยปัญญาของเราเองมันเห็นแล้วจะไปยึมั่นถรือมั่นได้อย่างไรมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วการพูดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาะตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมกข์ที่หนา